มาตาลีเทพสารธีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในหลุมใหญ่เต็มด้วยถ่านเพลิงที่ลุกโผล่ได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆแทงเข้าถึงนรกนั้นเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกฉะนั้นนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นเอาเท้าขึ้นบนโยนไปในนรกนั้น พระเจ้าเนมิราชถ้าพระเนรเห็นสัตว์นรกตกนรกอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถามาตลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่ายิงนรกเหล่านั้นมีร่างกายแตกทั่วรูปร่างน่าเกลียดเปรอะเปื้อนโชคด้วยเลือดและหนองเหมือนฝูงโคที่ถูกชำละบนที่ฆ่าประคองแขนทั้งสองร้องไห้ยิงนรกเหล่านั้นจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมื่อ ภูเขาไฟลุกโผงกลิ้งมาบทยิงนรกเหล่านั้นให้ละเอียดความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสา ร, รถีเราขอถามท่านยิงนรกเหล่านั้นได้ทําบาปอะไรไว้จึงจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมื่อภูเขาไฟลุกโผงกลิ้งมาบทยิงเหล่านั้นให้แหลกละเอียดมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารัตถาม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 ยังจิตของตนให้ยินดีในชายอื่นจึงถูกภูเขาไฟอันลุกโคลงกลิ้งมาแต่สี่ทิศบทให้ละเอียดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายิงนรกนารีได้แก่ยิงทั้งหลายคำว่ามีร่างกายแตกทั่วสัมปริพินนคตาความว่ามีตัวแตกคือมีสรีระขาดสิ้น คำว่ารูปร่างน่าเกลียดรุชัดเจได้แก่มีชาติสามคือมีรูปแปลกอธิบายว่าน่าเกลียดคำว่าโชควิกันตาความว่ามีตัวโชคด้วยหนองและเลือดเหมือนโคทั้งหลายที่หัวขาดคำว่าจมทุกเมื่อสะทานิขาตาความว่าจมลงในแผ่นดินเหล็กที่ลุกโผล่เป็นนิด เข้าไปแต่เอวตั้งอยู่เหมือนใครวางไว้คำว่าภูเขากลิ้งมาบทขันธาติวัตตันติความว่าเนศสหายมาตลีภูเขาเหล่านั้นกลิ้งทับหญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในเวลาที่หญิงเหล่านั้นจมเข้าไปถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโคลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกคำรามดุดสายฟ้ามา เป็นราวกับ ว, ว่าบทสรีระให้แหลกละเอียดไปเมื่อภูเขาลูกนั้นกลิ้งไปตั้งอยู่ทางข้างทิศตะวันตกสรีระของหญิงเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกหญิงเหล่านั้นไม่อาจอดกลั้นทุกนั้นได้จึงประคองแขนทั้งสองร้องไห้แม้ภูเขาที่ตั้งขึ้นในทิศที่เหลือทั้งหลายก็มีในอย่างนี้แหละ ภูเขาสองลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเหมือนหีบอ้อยเลือดหลั่งไหลไปบางครั้งภูเขาสามลูกบางคราวสี่ลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภูเขากลิ้งมาบทคําว่ากุลธ oh ิดาโกลิธิยาโยได้แก่เป็นกุลธิดาดำรงอยู่ในตระกูลคาว่า ได้ประพฤติไม่สมควรอยุตังอจารุงความว่าได้กระทากรรมที่ไม่สำรวมคําว่าเป็นหญิงนักเลงทุตตะรูปาความว่าเป็นหญิงไม่ดีคือเป็นหญิงชั่วมีชาติเป็นนักเลงคําว่าลรสามีเสียปฏิวิปปหายะความว่าลรสามีของตนเสียคําว่า ได้คบหาอาจารุงได้แก่ได้คบชายอื่นคำว่าเพราะความยินดีและการเล่นสนุกเป็นเหตุรติขิดเดเหตุความว่าเหตุเพื่อกามาคุณหา้าและเหตุเพื่อเล่นคำว่ายังจิตของตนให้ยินดีระมาปยิตวาความว่ายังจิตของตนให้รื่นรมกับเหล่าชายอื่นเกิดขึ้นในที่นี้ อธิบายว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นภูเขามีไฟลุกโชนช่วงเหล่านั้นจึงบทสรีระของหญิงเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้มาตาลีเทพสารธีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในบ่อใหญ่เต็มด้วยฐานเพลิงลุกโผลงได้ ย, ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆแทงเหมือนนายโคบานแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอก เข้าถึงนรกนั้นด้วยประการนั้นลำดับนั้นนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนโยนลงในบ่อใหญ่นั้นพระเจ้าเนมิราชท่าพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกลงในรนรกอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าเพราะเหตุไรนายนิรยาบาลทั้งหลายจึงจับสัตว์นรกเหล่านี้ห้อยหัวลง โยนลงไปในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกโยนไปในนรกมาตตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแข่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์ยโลกเป็นผู้มีกรรมไม่ดีล่วงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ลักพันดะอันอุดมเช่นนั้นจึงมาตกนรกสเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากบุคคลผู้ช่วยป้องกันบุคคลผู้มักทำบาปผู้อันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาป จึงมาตกอยู่ในนรกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในนรกนรกเกได้แก่ในบ่อใหญ่เต็มด้วยฐานเพลิงอันลุกโผลง่งได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆทิ่มแทงโบยตีราวกับนาย โ, โคบาลแทงโคทั้งหลายที่ไม่เข้าคอกฉะนั้นเข้าถึงนรกนั้นเห็นปานนั้น ลำดับนั้นนายนริรยาบาลทั้งหลายทำสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนมีศีรษะลงข้างล่างแล้วโยนลงในบ่อใหญ่นั้นพระเจ้าเนมิราชท่าพระเนรเห็นเหล่าสัตว์นรกกำลังตกลงไปอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถาอมจึงตรัสอย่างนี้คำว่าผู้ลักพันดะอันอุดมอุตตมะพันดะเถนะได้แก่ ผู้ขโมยพันดะอันประเสริฐที่มนุษย์ทั้งหลายพึงรักก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตาลีผู้เทพสารถีได้ยังนรกนั้นให้อันตรทานไปขับรถต่อไปแสดงนรกเป็นที่หมกไหมแห่งพวกมิจฉาทิฐิได้พยากรณ์ข้อที่พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าจัดนรกเหล่านี้ทั้งน้อยใหญ่ประกอบเหตุการณ์ต่า ง, างมีรูปร่างพิลึก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 สัตว์นรกเหล่านี้ทั้งน้อยทั้งใหญ่อุจจาวะจามีได้แก่สัตว์นรกเหล่านี้ทั้งสูงและต่ำอธิบายว่าทั้งน้อยและใหญ่คำว่าประกอบเหตุการ์ต่างๆอุปปกมาได้แก่ผู้ประกอบเหตุการ์คำว่าผู้มีความเห็นชั่วช้าสุ ป, ปาปทิทโนความว่า เป็นผู้มีธรรมลามกชั่วช้าด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลมิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสมณะพรไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคำว่า กรรมอันทําด้วยความคุ้นเคยวิศสาสะกรรมมานิความว่าเป็นผู้อาศัยกรรมที่ทําด้วยความคุ้นเคยกระทํากรรมลามกมีอย่างต่างๆด้วยมิจฉาทิฐินั้นคําว่าเหล่านี้นั้นเตเมความว่าชนเหล่านี้นั้นย่อมเสวยทุกข์เห็นปานนี้มาตาลีเทพสารถีทูลบอกนรกเป็นที่หมกไม ของพวกมิจฉาทิฐิทั้งหลายแด่พระเจ้าในมิราชด้วยประการชนีแม้หมูอเทวดาในเทวโลกก็ได้นั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมนานั่นแลคอยพระเจ้าในมิราชเสด็จมาปลายเท้าสักกะเทวราชทรงใคร้ครวญดูว่าทําไมมาตาลีจึงไปช้านักก็ทราบเหตุนั้นจึงทรงดําริว่า มาตาลีเทพปบุรเที่ยวแสดงนรกทั้งหลายว่าจัดเกิดในนรกโน้นเพราะทากรรมโน้นดังนี้เพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนแต่ชนมายุของพระเจ้าในมิราชซึ่งมีอยู่น้อยจะพึงสิ้นไปพระชนมายุนั้นจะไม่พึงถึงที่สุดแห่งการแสดงนรกทรงดำริชนีแล้วจึงทรงเท พ, พบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความเร็วมากด้วยเทพบัญชาว่า ท่านจงไปแจ้งแก่มาตลีว่าจงเชิญเสด็จพระเจ้าในมิราชมาโดยเร็วเทพบุตรนั้นมาแจ้งโดยเร็วมาตลีเทพสารถีได้สดับคำเทพบุตรนั้นแล้วจึงทูลพระเจ้าในมิราชว่าช้าไม่ได้แล้วพระเจ้าค่าแล้วแสดงนรกเป็นอันมากในสี่ทิศพร้อมกันทีเดียวแต่พระเจ้าในมิราชกล่าวคาถา ว, ว่าข้าแต่มหาราชเจ้า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 พระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นนิรยาบายอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมอลามกนี้ข้อว่าคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีลทุศีลานันจะยาคติความว่าความสำเร็จแม้นั้นพระองค์ก็ทรงทราบแล้วบัดนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปชมทิพยสมบัติ ในสำนักของเท้าสักกะเทวราชเถิดพระเจ้าค่ากันนรกจบ